เรื่องอนิสง์ของอานาปานสติโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนมศการพระเทรานุเทระผู้ทรงศีลสุตาทิคุณปัญญาทิคุณภาวนาทิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสัทธรมิกผู้รวมสัพมจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถือยิ่งขออํานวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุก ป, ประการขอจงบังเกิดมีแ ด, ด่ท่านผู้สแสวงบุญสแสวงหากุศลแสวงหาคุณ ง, ง, งามความดี ผู้ไฝ่ศีลไฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในตอนเช้าวันนี้เมื่อกี้พวกเราได้เสียเวลาไปกับความไม่สะดวกของเครื่องขยายเสียงไปนิดหนึ่งและพลอยให้ท่านทั้งหลายได้หายง่วงนอนก้นมาบ้าง เป็นที่เข้าใจกันดีว่าเราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจกันมาทำบุญมาสแสวงบุญสแสวงหากุณสมแสวงหาคุณงามความดีมากันตั้งไกลๆมากันหลายถิ่นหลายที่หลายอำเภอตาบลจังหวัดซึ่งอาตมาของไม่สามารถที่จะเอ่ยอ้างบอกสถานที่นามบุคคลได้หมด ก็ไม่รู้ว่ามากมายกันเท่าไหร่แต่เต็มศาลาเราทั้งหลายตั้งใจกันเป็นแรมปีที่จะทอดกระถินกันในวันนี้ตั้งแต่วันนัดพบผู้ไฟทาตั้งแต่วันที่สิบถึงสิบเจ็ดมกราที่ผ่านมาได้ตกลงกันที่จะทอด มหากถินมหาสามขีร่วมกันที่นี่พอถึงวันนี้เป็นวันนัดพบที่เราจะได้มาทำบุญทำกุศลด้วยกันเราทั้งหลายก็เลยพากันมาอาตมาเองก็คอยเป็นห่วงท่านที่เดินทางมาไกลๆยิ่งเมื่อยิ่งคํามาเท่าไหร่แตยิ่งเป็นห่วง เข้าใจดีว่าท่านตั้งหลายคงคงไม่ไม่ต้องให้เป็นห่วงเพราะามันสะดวกสบายทุกวันนี้ถ่านนันัทางสะดวกสบายแต่มันก็เป็นห่วงอยู่ดีๆเห็นว่ามืดแล้วค่ําแล้วกลัวจะเกิดปัญหาการเดินทางเกี่ยวกับยวดยานพาหนะกลัวจะเกิดอุบัติเหต ยังก็เลยสารพัที่เป็นห่วงกันที่น้องชาวกรุงเทพมหานครขบวนสุดท้ายเมื่อคืนไม่รู้ว่ามาถึงดึกเดินแค่ไหนจะมารอเสียทุ่กว่าปวดหัวด้วยแล้วก็ไม่สบายหลอดเสียงไม่ดีเดี๋ยวนี้ก็มีอาการปวดหัวตั้งแต่ตื่นขึ้นเด็กช่างหัวมัน เราคอยเป็นห่วงคุบาอาจารย์พระทรงองค์เจ้าที่เดินทางมาดึกดึกเดินๆนกลัวจะไม่มีที่หลับที่นอนมาเจียมกันเธอหนึ่งเธอเดียวก็จะเป็นขี่หลายลหลายเด้อยานพนวาให้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักคุณค่าของการต้อนรับขับสู้เนี่ยนีว่าปฏิสันฐานขคารวะตาเคารพ ในการต้อนรับคำว่าเคารพมาจากคำว่ารู้จักคุณค่าของบุคคลผู้ไปมาหาสู่ในการต้อนรับกันนี่เรต้อนรับสุดเวียนก็คงได้เพียงเท่านี้ท่านตังหลายที่รู้สึกว่ามันขาดกบบกพร่องมันไม่สะดวกไม่สบายสิ่งใดก็ อ, อาจจะมาขออภัย ขอให้เข้าใจวันนี้คือสุดเหวี่ยงแล้วนะสุดเหวี่ยงมั น, ม, นมันหมดกันเพียงเท่านี้ด้วยความเคารพในคุณค่าของบุคคลที่มาเยี่ยมมาเยือนอันนี้เล่าให้กันฟังเบื้องต้นที่นี้ก็อยากจะพูดเลยกันต่อไปว่าเมื่อวานเราได้ตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าเมื่อมาพร้อมเพียงกันแล้วกินข้าวกินปลาเสร็จ จะได้สมาทานอุโบสถทัศนร่วมกันมดในคืนนี้หลังจากนั้นก็จเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันพอสมควรแล้วก็ฟังธรรมคิดว่าตั้งเป็นเรื่องไว้จะแสดงธรรมเรื่องการทำบุญที่ถูกต้องครบวงจรในทางพระพุทธศาสนานหัวข้อที่คิดว่าจะพูดมาวาน แต่เสร็จแล้วก็มาไม่พร้อมกันรอกันคอยกันคนที่มาก่อนตั้งแต่เช้าก็มีตั้งแต่วันก่อนนู่นก็มีก็เลยให้พวกที่มาก่อนนี่สมาทานอุโบสถทศินฟราเสร็จแล้วก็นั่งรอคอยพี่น้องนั่งสมาธิรอคอยกันพอพี่น้องมาจากอุบลจากอามุกดาหารจากกรุงเทพจากทางสุรินมาก็จะได้ยุด ต้อนรับพี่น้องที่มาตามหลังจนเมื่อคิดว่าคงจะลำบากในการดูที่หลับที่นอนก็เลยปล่อยโอกาสให้เลิกไปจัดที่หลับที่นอนของตอนเองหลังจากนั้นพี่น้องที่เดินทางมาจากอุบลจากสุรินทร์จากกรุงเทพจากไหนทยอยมากันคืนเมื่ อ, อก็มาเห็น อ, อกเห็นใจที่เดินขึ้นภูเขากัน คิดว่าของได้บุญกันจนปวดแข้งปวดขาเต็มที่ขึ้นภูเขาภูทอกกลับมาก็สงสารเพื่อจะเหน็ดจะเหนื่อยก็เลยให้นอนพักผ่อนบางคนมาถึงก็กรรมาฐานยาวเลยก่อนเพื่อนเลยก็ไม่เป็นไรก็ให้อภัยกันจะแสดงธรรมก็คงไม่เข้าที่มันมันมั น, มนเป็นกาลวิบัติ ไมายก็ว่าการเวลาไม่สมประกอบไม่เหมาะสมต่อมาอาตจจมาเห็นว่าพี่น้องทั้งหลายเหนื่อยก็จะให้นอนให้พักให้ผ่อนเมาวกันตอนเชา้าแต่คอยเป็นห่วงทางสุรินทางกรุงเทพตึกเดินสามสี่ทุ่มกว่าเดินเลาะไปเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่ในรถขันนแดงๆ ได้ทราว่ท่านมาจากโคกโบสถ์ก็เลยพาท่านไปหลับไปนอนนี่ได้ข่าวว่ายังมาตามหลังอีกสององค์ก็ต้องรอคอยกันเองเพราะว่าที่นี่มันเป็นป่ากุติวิหารไม่เพียงพอต้องอไปนิมนต์สา ม, มเณรออกจากกุติเตรียมสถานที่ไว้รอเสร็จแล้วจะมาเป็นไม่สบายปวดหัวมากเกี่ยวกับหลอดลมหลอดเสียงมันเสียหายตั้งใจไว้ว่า ตอนเช้าของวันนี้เมื่อเราตื่นขึ้นมาจเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันตั้งแต่ตีสองมาถึงตีสี่แล้วก็ให้วากันทำมิกระถาก่อนฟ้าสางให้มันครบวงจรในการทำบุญจากการให้ทานมาโสการรักษาสิ่งโสการจเจริญสมาธิภาวนาอบรมจิต ทานัญจะสมจะริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวเย เ, เอเตถเมภาวิจตวาตายสุขังสมุทเยบุคคลผู้เทิงพร้อมด้วยทำสามประการการให้ทานการเป็นผู้มีศีลการอบรมจิตเจริญจิตเรียกว่าภาวนาให้มีความเมตตาปานีประกอบด้วยคุณทำสามประการนี้แล้ว ยอมนำไปสู่ความศพไปสู่โลกที่ไม่มีความเปียดเปียกันคยะวัดตอนเช้าเมื่อเราจเจริญสมาธิภาวนาพอสมควรแล้วค่อยฟังธรรมกันตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าจะแสดงธรรมในเรื่องขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในภาคเช้าก็พอดีเมื่อคืน เข้าไปหายากินในห้องไปข้ามาไปพบจดหมายซึ่งเป็นจดหมายของคุนแม่ชีปุผาซึ่งเป็นหัวหน้ามาจากทางสุรินทร์จากกรุงเทพท่านตั้งหัวข้อล่วงหน้าไว้แล้วว่าตอนเช้าสแสดงธรรมในเรื่องอา น, นิสงของการเจริญอนาณาปานสติ ก็เลยจำเป็นจะต้องพูดในเรื่องนี้ว่าในภาคก่อนที่จะสว่างก่อนฟ้าสางเราควรจะได้พูดกันในเรื่องอานิสงของการเจริญอานาปานสติเ็เห็นว่าเข้าทีดีนแม่ชีตั้งหัวข้อไว้ดีมากเหมาะสมกับกรณีที่เราทั้งหลายกำลังกระทำกันอยู่ เราตื่นกันมาตั้งแต่ตีสองมานั่งสมาธิกันมาจนถึงตีสามสี่สิบห้านาทีมาแล้วอาตอมาก็เห็นว่าพอสมควรให้พี่น้องทั้งหลายได้เปลี่ยนอิริยาบถไหวพระแผ่เมตตาสักหน่อยแล้วแสดงธรรมก็ลเลยมาเสียเวลากับเครื่องขยายเสียงมาาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเสียงเขาเหนื่อยมากทั้งวันทั้งคืน ถ้าเป็นอันว่าพวกเราตื่นมาเจริญสมาธิภาวนากันนั่นมันเป็นการทำบุญที่ที่สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจากทานมาสู่ศีลเลยอยากศีลมาสู่สมาธิสู่ปัญญาภาวนานั้นมันรวบเอาทั้งสมาธิทั้งปัญญาอยู่ในนัน่นพี่น้องที่เคยเข้าวัดเข้าว่าเป็นประจำอยู่คงจะคุ้นเคยคำสามคำ ว่าทานศีลภาวนานี่เป็นส่วนของชาวบ้าน่าโยมจะพึงปาถนาบุญจะพึงกระทําด้วยบุญกิริยาด้วยกุศลกุศลเจตนาสามประการคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาแต่พอมาถึงพระก็มีสามอันเอกเหมือนกันท่านบอกว่าศีล ส, สมาธิปัญญา จะรู้สึกว่าพระนั้นขาดทานเริ่มต้นด้วยศีลทำกลางด้วยสมาธิปริโยสานสุดท้ายด้วยปัญญาแต่พอมหันดูฝ่ายคารวะเริ่มต้นด้วยทานทำกลางด้วยศีลสุสดท้ายด้วยภาวนาจะเห็นว่าฝ่ายคารวสขาดคำว่าปัญญาไป ได้ไปสองอันเหมือนกันทำกลางแต่ตอนปลายกับตอนต้นแตกต่างกันในความแตกต่างกันนั้นไม่ได้แตกต่างกันเลยภาวนานั้นรวมทั้งสมาธิรวมทั้งปัญญาส่วนของพระสององค์เก้านั้นศีลสมาธิปัญญาศีล น, นั้นรวบเอาทานไว้ด้วย พระพุทธเจ้ากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาทานทานอันยิ่งใหญ่เป็นทานของบัณฑิตเป็นทานของสัตบุรุษเป็นของเก่าเป็นของดำเดิมเป็นของไม่กระจัดกระจายเป็นทานแห่งอริยเจ้าอริยบุคคลคือศินห้าเนี่เป็นทานพระท่านถือศินถึงสองอยี่สิบเจ็ดนั้นท่านมีทานอย่างยิ่งใหญ่ถึงสอง้ยี่สิบเจ็ด หัวข้อเป็นทานคือการให้ให้ออกไปให้อภัยให้สิ่งที่จะเป็นพิษเป็นภัยแก่คนอื่นไม่ให้มันมีพิษมีภัยนั่นเรียกว่าปััยทานหรือจะลึกลึกลงไปยิ่งกว่านั้นในสมาธินี่ก็ดีในในปัญญาก็ดีในการเป็นโยภาวะเพศของพระสงฆ์เป็นการให้ทานอย่างใหญ่หลวง ท่านทั้งหลายคิดไหมว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เยาตดมาจากฟ้าเป็นคนธรรมดาสามัญมีกิเลสมีตัณหาแต่ท่านเหล่านี้ไม่ตามใจกิเลสไม่ตามใจตัณหาเรียกว่าปฏิโซตะคามีท้วนกระแสของกิเลสของตัณหาออกมาบวชสละเพศจากคารวะ ไม่ยอมมีลูกมีเมียมีครอบมีครัวมีบ้านมีเรือนไม่แสวงหาแม้จะอยากได้ให้มันออกไปจากจิตจักใจอย่างนี้ตัวให้ทานให้ทานลูกให้ทานเมียให้ทานข้าวของเงินทองเสร็จแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเพียงแต่เริ่มต้นและตอนปลายมันแตกต่างกันแต่มันก็ อยู่ในกลุ่มในเครืออันเดียวกัน <Yeah. S 1> จัดเข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ระหว่างทานศิลภาวนากับศินสมาธิปัญญาเพราะนั้นพวกเรามาทําบุญในวันนี้ทําให้มันครบพงจรทั้งการให้ทานทั้งการรักษาสินทั้งการยเยริญสมาธิภาวนา <Yeah. S 1> ตื่นมาตั้งแต่ตีสองมาถึงตรงนี้เนี่ยมันมันน้อย มันน้อยมากอาตมานี่เสียดายนะแม้จะเป็นไข้สุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวลึกๆไข้เจ็บไปในลำคอนี่ก็ ย, ยังรู้สึกเสียดายถ้ามานั่งสมาธิแล้วมันลืมมันหายไปมันหายไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันสั้นมันเร็วตีสองมาหาสว่างนี่ นิดเดียวเสียดายมากอยากจะมีเวลาอย่างนี้นานๆแต่ตํางานมันมากเวลาไม่ค่อยพอกับงานเมื่อท่านตั้งหลายได้ออกจากบ้านจากช่องมาทําบุญได้มานั่งสมาธิให้จิตใจสงบคนเป็นจํานวนมากไม่มีเสียงพูดเสียงคุยเสียงไอเสียงจามกันเลยนี่ช่วงนี้ ท่านได้อยู่ในอาการสงบ พ, พระพุทธเจ้าของเราท่านตัดสรุเรื่องของโลหเรื่องของชีวิตไว้อนหนงวา่าจิตเตยเนียติโลกโกโลกอันจิตย่อมนำไปเกณัสโส ป, ปริกิสติโลกอันจิตนิยอมเสือ่อย่อมใสไปคนทำอะไรทำดีทำชั่วทำบุญทำบาป เพราะโถอำนาจผลักดันเสือกใสของจิตนี้เองถ้าสามารถทำจิตให้มันสงบลงได้โลกทั้งโลกก็ เ, เหมือนสงบลงกับเราถ้าทำให้มันถ้าทให้จิตนี้สว่างสวยัยไม่มีอะไรกังขาคล้องอยู่ในจิตในใจเลย โลกั้งโลกก็เหมือนเต็มไปด้วยความสว่างสวยไรอาการมืดมนเพราะนั้นเรามานั่งสมาธิกันตั้งแต่ตีสองมาจนถึงเกือบตีสี่นั้นแม้โลกภายในคือจิตใจไม่สงบแต่โลกภายนอกเสียงแวดล้อมคนจำนวนมากเป็นรอยเนี่ยมันหลายรอยเนี่ยมันก็สมบมันอยู่ที่จิตของทุกๆคน เพราะนั้นท่านไม่ชีบุภาให้อาตม า, าสแสดงทำเรื่องอานิสงของการเจริญอาณาปานาสติเป็นสิ่งที่ควรจะได้พูดเป็นสิ่งที่ควรจะได้ฟังได้ยินกันอานิสง <c oughs> แปลว่าประโยชน์ประโยชน์ขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่าแปลว่าประโยชน์ ไม่ใช่แปลว่าอื่นไกลศาลาหลังนี้เราร่วมกันบริจาคสร้างมาคนละห้าคนละสิบคนล ะ, 10, นละ 10, 1มื่นสองมืน่นมันก็เลยมาได้อานิสงส์เดี๋ยวนี้ขณะเนี้ยคือการได้ใช้ประโยชน์สิ่งใดที่ใช้ประโยชน์มากสิ่งนั้นครับมีอานิสงส์มากอานิสงส์เกิดขึ้นก็คือประโยชน์เกิดขึ้นที่นี่มีแต่อานิสงส์ เดือนจะมาถึงมีหลายแห่งแจ้งมาเอานักเรียนเอ า, เรเอาครูมาอบรมที่นี่สองอำเภอสองโรงเรียนของจังหวัดน้องกายจะเอามาอบรมที่ศาลานี้วันที่ยีิบสองทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์เอาพร ะ, จะเจ้าอาวาสสังฆาธิการมกตายกใส่รถบัสเข้ามาอบรมอยู่ในศาลาหลังนี้วันที่ยิบสองพฤศจิกา อันนี้คืออันนิสงคือปุญที่มันจะเกิดขึ้นจากการกระทําอันนี้ทีนี้อันนิสองอันจะเกิดขึ้นจากการเจริญอาณาปานาสตินั้นก็หมายความว่าประโยชน์ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญอาณาปานาสติทีนี้เราก็ควรจะมารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าอาณาปานสติเป็นกรรมฐาน กรรมฐานทั้งหมดมันมีมากมายกายกองถึงสี่สิบข้อพระพุทธเจ้าท่านย่อกรรมฐานลงมันจะมีอยู่อาทาว่าโดยผลก็มีสองว่าโดยการปฏิบัติก็มีสองคือกรรมฐานชนิดหนึ่งนำไปสู่ความสงบเรียกว่าสมถกรรมฐานให้จิตสงบ เมื่อสงบแล้วจะมีผลตามมาอย่างน้อยสองอันคือมีความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นมีฤทธิ์มีเดชเนื้อมนุษย์ธรรมดามีปฏิหารด้วยอำนาจแห่งจิตที่มันสงบลงไปต่อมาอันที่สองเรียกวิปัสสนากรรมฐานว่าด้วยผลคือทำให้รู้แจ้งเข้าใจเกี่ยวกับ กลไกเงื่อนไขต่างๆของชีวิตของธรรมชาติชีวิตทั้งชีวิตจะไปถึงสุดท้ายสิ้นสุดลงแห่งการเวียนว่ายเหมือนที่เราสวดเมื่อกี้เราได้ยินสุดท้ายว่าอปิเตสังนิโรธายะปฏิปฏิยาติซาตุกาอันหนึ่งการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดี เมื่อเข้าถึงความรู้อย่างแจ่มแ จ, จ้งสังขารทั้งหลายก็ไม่สามารถจะปุ้งจะแต่งกันต่อไปมันมันเป็นการดับของมันอยู่ในตัวดับสังขารก็คือการดับทุกทุกอันเกิดมาจากความปุ้งความแต่งของสังขารอันเป็นอุปทานในนั้นอันนี้เป็นเรื่องของวิปัสสนาทำให้มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์และทำให้มี อาสติปัญญาสามารถทำลายรากเงาของปัญหาทั้งปวงในหัวใจคือสิ่งที่จะให้เกิดทุกข์หมดไปสิ้นไปมันมีผลสองอันทีนี้เมื่อว่าด้วยการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือจะเป็นวิปัสนาท่านก็แยกกรรมฐานทั้งหมดนี้มีอยู่สองอันอันหนึ่งเรียกว่า สัพัติกะกรรมาฐานกรรมาฐานที่ใช้ได้ตลอดตลอดไปตลอดไปทุกอิริยาบถ ท, ทุกขณะทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่คนเจ็บคนไข้ไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือพระอรหันต์พระอรหันต์ก็ดีปุถุชนก็ดีจะใช้กรรมาฐานชนิดนี้ไปตลอดเรียกว่าสัพพติกะกรรมาฐาน อีกรรมฐานอกชนิดหนึ่งต้องต้องบริหารต้องแอดจัสคือต้องต้องปรับปรุงให้มันเหมาะมันสมเรียกว่าปริหาระกรรมฐานกรรมฐานที่จะต้องนำไปด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขณะนี้ทำอย่างนี้พอก้าวหน้ามาถึงระดับหนึ่งต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลง อาจจะเป็นสมถะไปแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวิปัตนาโดยอาศัยกรรมฐานอีกแบบหนึ่งมาซ้อนเหมือนกับขี่รถหลายๆคันจากกรุงเทพที่จะมาทอดกระถิ่นที่นี่คนมารถโดยสารมาจากเมืองอุบลขึ้นสหมิตรเมืองลงทังโคนแล้วก็ขึ้นอีกคันหนึ่งต่อมาจากพังโคนมาลงที่บ้านน้องแวงแล้วก็มาต่อรถสามล้อหรือรถ ประจาทางสองแถวเข้ามาที่นิพเพรวมเป็นสามสามสามต่อที่สามต่อนี่แหละเรียกว่าปริหานิยัมคือ น, นำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมาถึงปลายทางส่วนอีกอันหนึ่งสัพพติกะคือกรรมฐ า, านที่ใช้ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงตลอดสายถึงบัดปลาย ดังแต่เริ่มต้นโดยการต่อสู้กับกิเลสหยาบๆจนไปถึงกิเลสที่ละเอียดจนมันหมดมันสิ้นไปทั้งที่มันเป็นสมถะและวิปัสสนาเหมือนขี่รถคันเดียวจากกรุงเทพมาถึงที่นี่จากเมืองอุบลมาถึงที่นี่อานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐาน ที่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นสัพพติกะกรรมฐานเรื่อยไปเลยใครปรารถนาจะทำสมถะให้จิตสงบให้มันมีความสุกอย่างลึกซึ้งอย่างดื่มดำ่ำหรือจะให้มันมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญามีปาฏิหารก็สามารถปรับปรุงทำอยู่ในอาณาปานสติ คือเอาสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยชี้าผู้ใดปาถนาจะเจริญปัญญาลุน่ลนๆเป็นวิปัสนาลุน่ลนๆเลยก็สามารถเอาจากอาณาปานสติโดยไม่ต้องสนใจเรื่องสมถะเลยก็ได้หรือจะทำไปพร้อมกันก็ได้เรียกว่ายุคะนัทธังพาเวติ สมถังวิปัสนางยุคานักทางภาเวติจเจริญทั้งสมถะวิปัสนาไปพร้อมๆกันเลยสัญชายโตมัคคสัญชาติแล้วจะเกิดทางเลือกของมันขึ้นมาอยู่ในอนาปานาสติจึงนับว่าเป็นหัวข้อที่ควรพูดควรฟังกันในเรื่องนี้ น่าอนุโมทนาผู้ที่ตั้งหัวข้อให้อาตมาพูดในเรื่องนี้อานาปานะสติอาณาหายใจออกปานะหายใจเข้าสติระลึกรู้สึกระลึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพูดเป็นภาษาไทยว่าระลึกระลึก พูดเป็นภาษาบาลีว่าสัติผู้เป็นภาษาลาวภาคอีสานว่าหูเมื่อหูเมื่อนี่นางเลยนะเนี่ ย, ย, ยหหูเมื่อหูเมื่อว่ามันหันจะเขา่าหันจะออกงับแงบงับแงบไปเนี่ยขี่รถไปผูดหอผู้เถอะขึ้นไปทั้งพูทั้งดอยงานเมย์เมย์น่นสูบเสาเป่าลมกูหูเมื่อมันอยู่นั่นอ่ามันเขา่าหูเมื่อว่ามันออก อนาบานาสติเนี่ยมันมั น, ม, น, ม, นมันดีมากพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิหารธรรมของพระเสขวิหา ร, ธร ร, ร, หารธรรมของพระอเสขวิหารธรรมของพรมวิหารธรรมของพระตถาคตเจ้าผู้ใดมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกที่พระสูตรสังยุตตะนิกายมหาวารวกเล่มที่สิบเก้า ข้อที่พันสามร้อยหกสิบสามถ้าเป็นต้นไปหาเถอะหน้าที่สี่ร้อยกว่ากว่าไปนะก็จะพบพระพุทธเจ้าเล่าไว้ตั้งแต่ปุถุชนยันพระพุทธเจา้ายันพระอรหันต์มีวิหารธรรมที่อยู่แห่งจิตคืออาณาปานสตินี้พวกเราทั้งหลายมาร่วมกันสร้างวิหารศาลาหลังนี้ มันก็สร้างได้ด้วยอาศัยศทุนทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยแต่วันนี้เรามาร่วมกันสร้างวิหารธรรมนอกจากวิหารหลังนี้มันกันแดดกันฝนได้มานั่งมาประกอบกิจกรรมคุณงามความดีร่วมกันก็มีประโยชน์มีอันนี้สองแต่อันนี้สองที่ยิ่งไปกว่า น, นั้นเราควรสร้างวิหารธรรม วิหารธรรมคือที่อยู่ให้แก่จิตที่อยู่ให้แก่ใจให้จิตใจเรามีที่อยู่ที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนจิตใจมีเสื้อผ้าอาภรณ์จิตใจมีอาหารจิตใจมียารักษาโรคอยู่ในตัวมันที่เราได้ยินพระท่านสวดว่าโอสถัง อุดมังวรังยาอันประเสริฐยาอันสูงสุดอันพระธรรมเป็นยาอันประเสริฐอันสูงสุดอนาบานสตินี้ถ้าผู้ใดมีความชํานาญกระทําอยู่ บ, บ่อยๆมันเป็นยาเป็นยานอกจากเป็นที่อยู่นอกจากเป็นเครื่องนุ่งห่มให้แก่จิตนอกจาก เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ยังเป็นอาหารยังเป็นยาท่านถูกแมงป่องต่อยถูกตะขาบกัดท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่ท่านจะตายฟังให้ดีนะว่าแม้แต่จะตายถ้าผู้ใดจเจริญอาณาปานสติให้เก่งๆจะได้ประโยชน์มากถ้าไม่พอตายมันจะเป็นยา สเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตก็ทราบชัดว่าเวทนานั้นเป็นที่สุดแห่งชีวิตหม่ว่าผู้ที่มีสติอยู่ทุกลมหายใจจะรู้วาระแห่งตนเองที่จะตายจะตายเข้าจริงๆอาจจะบอกลกูกบอกหลานหรืออาจจะลุกขึ้นมานั่งตายอย่างมีศัก์ศรีของมนุษย์ ไม่ต้องตายร้องโ อ, ย, โอยอย้ายควรคางก็เสือ ก, ก็สนดินรนตายอย่างสง่าผาเผยตายแซ็บแทบหมดตายคือเบวานเัาเจะตายหรือว่าไม่ตายมันทำกลางวัฏสงสาร ต, ตายมันทำกลางพระนิพพานหรือว่าคือผีบาตในนอกระใจเราตายเน่าเลยเราตายเส็บแทบ พอเคยตายจะเ่อยังม่สิแสบไปนวยจังไหนเนาะพระพุทธเจ่าผู้เจริญอาาบานณสติเนี่ยมีอั น, นิสงส์เจ็ดประการประการแรกจะได้ชมอรหัตตบผลที่เป็นพ่อรหันในชีวิตเนี่ยที่เป็นเป็นเนี่ยจำไว้ให้ดีๆนะ ประการที่สองถ้าหากไม่ได้ชมอรหัตผลในขณะนี้ก็จะได้ชมอรหัตตผลเข้าถึงอรหัตผลเมื่อจะตายฟังให้ดีนะว่าเมื่อจะตายเมื่อใกล้จกตายนั่นแหละจะช่วยเอาประโยชน์ที่จะมาว่าตายเสพๆบนนี้ครับ ไม่ได้ยิ่งผู้ใดเข้าวัดบ่อยๆฟังเทศบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆสัเปสังฆาลาอเิจ่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสเพธรรมาอนัตตีทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้มันก็ดังนี่อยู่คู่มือันละดังนี้แต่วัในนีใจมันยังแบกมันยังหามมันยังเอาอยู่เพราะว่ามันบัานเด็กไก่ตาย นี่ถ้าเราจเจริญสมาธิภาวนามีสติอยู่ทัุกลมหายจะพอจะตายเข้าจริงๆบาปนี้เรามันจะเห็นดังนี้อิริบาตเนี่ยพรมันเอาบวตัยกับขักตัวบาปเนี่ยกูสิตายแท้แท้บาปตั้งแต่ตัวเราเองก็ยังเอาไม่ได้ลมหายใจเข้าออกนี่ยมันหมดไปมันน้อยไปมันสิ้นไปโอตายขัดขัดตัวบาปเนี่ยเอายังบวตัยเลย ช่วงนี้เลยสติสัมปชัญญะมันจะระดมทุ่มเทกันมาเองโดยอัตโนมัติที่ฝึกไว้นานๆหลายปีหลายชาติพระภูทธเจ้าจึงบอกว่าเขาจะได้ชมอรหัตผลเข้าถึงอรหัตผลก่อนที่จะสิ้นใจในขณะที่จะตายหรือพร้อมกันละ่ะที่ภาษาพระท่านเรียกว่าชีวิตะสมะสีสี ดับชีวิตและดับกิเลสไปพร้อมกันหมดเชื้อสิ้นสากไม่มีการเกิดมาอีกไม่มีการตายไปในขณะตายนั่นก็เป็นเรื่องของกายตายไปแต่จิตลว้ลวนที่อบรมด้วยสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานอริยมรดยโดยอาศัยอาณาปานสตินี่มันจะไม่เป็นผู้ตาย ไม่เป็นเจ้าของความตายเรื่องตายเป็นเรื่องของร่างกายธาตุสี่เหล่านี้ขันเหล่านี้เขาแตกสลายเขาทนไม่ได้แต่เรื่องกิเลสถ้ามันยังไม่ตายมันก็ตายแต่กายกิเลสมันก็จะเป็นเชื้อเป็นมเมล็ดมเมล็ดของของชีวิต เหมือนต้นไม้ที่ต้นแม่มันตายลูกมันยังมีผลมันมีมากมันมีร่วงหล่นลงมาในเมล็ดมันนนั้นมีเยื่อใยอย่างที่จะทําให้มันเกิดมาเป็นต้นใหม่อีกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบชีวิตเหมือนต้นไม้เหมือนพืชเมื่อกี้เราฟังพระท่านสวดถ้าฟังและพิจารณาตามก็จะเข้าใจค่อยๆเข้าใจไป อาตมาจึงไม่ค่อยนิยมสวดมนต์เร็วๆช้ามากก็ก็เฉยเกินให้พอดีพิจารณาไปด้วยทำคางยานจนเกินไปมันกหลงคำก็มันเอกมันไม่ต่อกันอตรงที่ซับใช้ของมือนเนี่ยเพราะนั้นเมื่อกี้พาท่านสวดว่ายะท้าหิอัญญตาลังพิชัง เขตเวิวตังวิโรหติเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงในพื้นแผ่นดินจะงอกขึ้นได้อาศัยไออุ่นจากแผ่นดินอาศัยความชุ่มชื้นจากไอน้ําอาศัยเยื่อใยยางในเมล็ดพืช น, นั้นมันก็จะเกิดมาพืชเกิดได้แล้วพืชไม่เกิดได้ถ้าพืชหมดอย่าง พวกเรานั่งกันเป็นแท้ทั้งหมดเนี่ยมียางตัณหาสิเนหาตัณหาเป็นอย่างยางของชีวิตยางของจิตของไก่บาปบุญเหล่านี้เป็นยางปาปะสเนหาปุญญสิเนหายางแห่งบุญยางแห่งบาปยางบุญนําไปเกิดที่ดีในภพที่ดีเป็นสุขติมนุษย์สมบัติสวรสมบัติ ทายางบาปก็นำไปเกิดโอา b ายมันก็มีเท่านั้นเลยที่การปฏิบัติธรรมก็คือการมาทำให้ยางมันหมดไปหมดไปทายางมันมีอยู่ร้อยเปอร์เซนในหัวใจกิเลสนหฮยางนี่มันเหือดมันแห้งไปยี่สิบห้าเปอร์เซนไก่สิเป็นหมากรีบแล้วหังยังพ่อเกิดอยู่ขันหนามดีฝนที ยางหมดไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตก็เป็นพรโสดาบันไดถ้ายางในหัวใจมันหมดไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตก็เป็นสกิทาคามีได้ถ้ายางมันหมดไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนตตรงนี้คันเป็นเขาเพื่อนเอิรนว่าเขามากกลางมันเป็นมากกลางสำรีบแต่ว่ายังมีเสืออยู่น้อยหนึ่ง ยางหมดไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนก็เป็นอนาคามีได้ขายางในหัวใจมันหมดไปร้อยเปอร์เซนตกิเลสตัณหามันหมดมันก็เป็นเหมือนข้าวรีบเขารีบเกิดได้ว่าไงเกิดพอไปวันเกิดอะไรว่าคือเขามีเม็ดตรงๆการปฏิบัติรธรรมในศาสนานี ก็เพื่อจะทำให้มันรีบลงให้มันหมดเยื่อใอยยางลงผู้ที่เข้าถึงโซโดาบันโบ ค, คลท่านจึงบอกว่าวัตสงสารอันยาวนานเกินมานับประมาณไม่ได้เป็นแสนโกดกับนับอสงไขยนับไม่ได้ยาวมากแต่บัดนี้เหลือนิดเดียวเหมือนกับภูเขาหิมาลัยบัดนี้เหลือเท่าจอมปวก วัฏสงสารที่เคยยาวนานบัดนี้มองเห็นฝังตีลทัศสีมองเห็นฝังแล้วไม่เกินอีกเจ็ดชาติเป็นอย่างชาคือยางมันหมดมันไม่เต็มรอยถ้าเกิดมาอีกมันก็นับวันที่มันจะหมดไปเพราะการปฏิบัตินี้มันไปขึ้มันเรื่อยเป็นอย่างนั้นขอมาถึงสกิทาคามียางยิ่งน้อยสกิงแปลว่าครั้งเดียว อาคามีมาสู่กระแสของโลกในเพียงครั้งเดียวยางหมดไปแล้วห้าสิบเปอร์เซนตถ้าน้ำไม่ดีดินไม่ดีหล่นลงในที่แห้งๆหน่อยฝนตกมาแล้วก็หยุดมีแดดเผางอกมาหน่อยพองแวบตาจอยไม่เกิดมาเลยอันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญ อาณาปานสติาธรรมติดต่อประการแรกอ น, นิสงส์มันมีอยู่เจ็ดประการอ น, นิสงส์อันแรกนันจะทำให้ผู้ที่เจริญนั้นถ้าเพียบพร้อมด้วยอินทร์พละกำลังบริภูนก็สามารถที่จะชมคว้าเอาเข้าถึงอรหัตผลได้อยากนอนไหลหอใหญ่หันใจเง่้ยๆเข้าไป แตะมันทองหยุดไว้อย่าให้มันออกมาอัดเบ่งให้เลือดมันฉีดขึ้นสมองให้มันเต็มลุกโพงๆนันๆก่อนที่จะออกหายจะเข้าอีกนิดหนึ่งแล้วปล่อยออกมาทำสักสามครั้งมันก็หายง่วงถ้ามันยังไม่ง่วงจ้องดูถ้ามันยังไม่หายจ้องดูเวลามันจะหลับมันลุดออกปุ๊บคือหมองลนเห็นบ่นางเยวีเ ลกล้องเกษตก็มีเงาะ ก, กับเทงเมงขอก็มีมันขาดภาษาภาษาทัานเรียกว่าสัน ต, ติความสืบต่อกันของความตื่นตื่นมันสืบต่อกันเหมือนไฟฟ้าที่มันเกิดดับเกิดดับมาถึงช่วงหนึ่งตัวตื่นที่มันสืบต่อมันขาดพุด๊ออกแก่กันออกแก่ความตื่นก็หลุดเข้าไปสู่ความหลับออกแก่ความหลับก็หลุดมาสู่ความตื่น ดูให้ดีๆถ้ามีสติมากก็เห็นอาการหลุดถ้าเรียกว่าสันตติที่มันต่อกันมันขาดปึ๊กมันจะงอกในทีเดียวมันตื่นมากอีกเป็นสิบเท่านี่สติมันผ่าตื่นอันนี้ยอกก็หันใจทั้งแอวอย่างนี้ไรงี้ยโมไปไ่มาวิสติกันฝึกให้ดีๆฝึกให้ดีๆโอ๊ยวาระย่ากมันแล้ววาระเสื่อพ่อป่าสำจากนอนเอามันก็ขักต้องดูเวลามันจะหลุด ตัวที่มันต่อความรู้สึกมันต่อกันเนี่ยมีสติจ่อลงไปเวลามันลดนิดเดียวเท่านั้นมันย์ก็ปอกมันลดยามใดมันรับบาดใดมันหลับเวลาหายเจออกาเจ้าภาพไอ้หัวมันเข่าบันยุทธิก็ไปหันหลอกขอมันไว่หันหฮองรับแล้วนกบัชนวึงคักจังหายเจ้เข่าจังคอยโยกขึ้น มันหลุดปู้๊บพอเราขึ้นไม่ามันงอกเองสิเดี๋ยวโอยมันบวซือนจ๊คเถอะทีนี่บางคนมันมันหลุดสันตติการสืบต่อของความตื่นมันขาดขาดเวลาหาจะเข้าคืนพุ่มบานเนี่ยคืนพบานเนี่ยสวบเมาวันมาประกำนะย่าพ่าวไอ้ของมันเข่าอีกคำมันขำมันหลุดบรเขาย่าให้ของมันออกขก็นลยจะพ่าวไอ้มันออกมันข้างทะเลยว้หัน ล็อกไว้หันเบิ้งก็คักตื่นขึ้นมาอีกสิบเท่าเป็นมวยเนี่ยแม้เว่พะเป็นมวยจะเชื่อเว่ก็มาหานพระพดีธยวอากสอนดีบางๆนี่ล็อกมันไว้อย่างในเป็ดเลยบ้ามันจะเก่งเกินเท่าอยู่บอกฟังเทออยู่กับรับฟ้าอีดูตนศาสตร์ภูเทศแล้วเวยเจ็บคอก็เจ็บปวดหัวไข่พร้อม แม่เหน่ก็นั่งสมาธิบางคนหลับยังดีกว่าเถิดเลยเนาะเราให้ฟังเราให้ฟังจับเอาฟังเอาไปทำง่วงนอนเนี่เป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับนักปฏิบัติบางคนกลัวมากพระพุทธเจ้าว่าอันตรายอันตรายมากนิทาตันทิพิชมตาอารติมัตสัมพะโต การหลับการง่วงการบิดกายเมาอาหารความไม่พอใจความเมา อ, อาหารกินมากแล้วเมาอืดอาดพระหูหิประพันทิโยนั่นเลยเป็นอันตรายอย่างมากเพราะนั้นเรื่องง่วงเนี่ยเอาให้มันดีๆจับจุดตัวนี้ให้มันได้ปอได้ย่านสําหรับนอนมันสักห้านาทีนี่มันก็อิ่มได้ให้มันหลับนอกตื่นใน หรือมันจะให้มันหลับในก็มาตื่นข้างนอกได้ทำให้มันเป็นเป็นศึกษาให้ละเอียดฟังให้มันถูกถูกถ้าเราจะเริญนอาณาปานสตินี่หนึ่งมันจะทำให้อ่าเข้าถึงอรหัตผลในชีวิตนี้ทำให้ยางเยื่อใอยยางมันหมดไปสองถ้าไม่ได้ในขนาดนี้จะได้ชมอรหัตผล เมื่อเวลาตายพร้อมกันกับตายนะนะก่อนจะตายที่เรียกว่าชีวิตะสมะสีสีอาตมาเชื่อว่าจะเป็นได้นะทุกๆคนถ้าฝึกพอถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆเวลาจะตายเข้าจริงๆ จ, จิตมันจะคลายขอม้มมนเองอยู่แล้วมันเห็นว่าตัว แกนกลางใหญ่ๆที่มันยึดมั่นคืออัตตาตัวตนของเรานี้เมื่อเห็นว่าตัวตนเต็มไปได้วยความทุกข์เอาไม่ได้เลยหายใจเข้าก็ไม่ น, าน่ามันจะขาดจะตายอยู่อย่างเนี้ยความรู้สึกที่เข้าไปยึดมั่นถือมันนั้นมันจะคลายออกมาเลยเอาไม่ได้แน่นอนพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่า จะได้ชมอรหัตผลเมื่อเวลาจากสิ้นใจยกๆนั้นแหะอย่างนี้เรียกว่าตายมีศิลปะตายมีศักยภาพตายอย่างมีศัก์ศรีสมศักิ์ศรีของมนุษย์ชาติที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานี่เป็นว่าสองอันนี้อันนี้สองของอนาปานาสติยังอีกห้าอันเหลืออีกห้าอันเรียกวเป็นอนาคามี อนาคามีหา่าตั้งแต่อันตราปรินิพภาจีพะหะจักรปรินิพภาจียสังคาราปรินิพภาจีสังคาราปรินิพภาจีอุทังโสตวกนิทัก้ามีโอ้ยาอกยกหลายภาษาภะโอ้แล้วก็บูชีออยาจูมันเถอะห้าอันนี้เรียกว่าอนาคาไม่หา้าหมายความว่าจักไม่กลับมาในโลกอะแปลว่าไม่ อาคามีไม่กลับคืนมาส่กระแสของโลกอีกนันรีเทอร์เนอร์นันรีเทอร์เนอร์ไม่เป็นผู้กลับคืนมาไม่กลับคืนมาเหมือนกับเหมือนกับเมล็ดข้าวที่มันรีบแต่ยังมียังมีเชื้อโย่ไม่พอที่จะปลูกเป็นข้าวปลูกเป็นข้าวพืชได้ แต่พอจะเอามานึ่งกินได้จบเอิินว่าเขาหมากกลางเขาอีหยังพวกนั้นนะให้เขาปลูกก็จ ะ, ะได้เนาะแต่พอจะกินได้อนาคามีบุคคลก็อยู่ในระดับอย่างนี้คือเยื่อใยา ย, ายางที่จะทําให้เกิดมานั้นมันหมดไปหมดไปมันเหลือเพียงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเอามาเป็นเขาปลูกบ็ได้ซุ้มมุง่งเนี่ยเป็นเขาปลูกก็ได้ นี่ผู้เจริญอาณาปานสติถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ชมอรหัตผลเวลาจะตายไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหลือนั่งจักเป็นอนณาคามีห้าอันตราปรินิพพากีคือไปอยู่ชั้นสุทธาวาตตั้งแต่อวิหะตปาสุทธตีตุสัสสากนิฐาไปเนี่ยไม่กลับมาบางคนก็ มีอายุไม่ถึงครึ่งอย่างสมมุติว่ามีอายุอยู่เป็นสักร้อยปีอยู่ในสวรรค์ชัน้นอาอตปาอย่นี้เอเวหาอย่างนี้ไม่ถึงร้อยปีสักไม่ถึงห้าสิบปีก็หมดหมดเยื่อใอยยางหมดอาสวะกิเลสสังโยชน์ทั้งสิบมันหมดไปมันหมดไปแล้วห้าหนังตั้งแต่ยังเป็นๆอยู่นี่ มันก็ไปหมดต่อที่โน่นอีกห้าอันอายุยังไม่เก่งอย่างนี้ต่อมาอีกบางพวกก็ยาวขึ้นไปหน่อยยาวเลยเก่งขึ้นไปบางพวกต้องไม่ได้ใช้ความเพียรอะไรขึ้นไปโน้นไม่ต้องใช้ความเพียรเพียงแต่รักษาระดับอันนั้นไวระดับสมาธิระดับ ศินสมาธิให้มันพอดีพอดีแล้วเพิ่มปัญญานิดหน่อยเขาบอกให้ทราบว่าพระอนาคามีที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจเจริญอานาคานาสติเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ในขณะเป็นๆอยู่ก็จะได้เป็นขณะใกล้จะตายหรือมิฉะนั้นจะได้ชมอนาคามิผลห้าในอนาคามิผลนั้นสมาธิไม่ต้องทําอะไรอีกเลย ฟังให้โถกว่าถึงขั้นพระอนาคามีไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำสมาธิอะไรเลยเพราะสมาธิสมบูรณ์คำว่าสมาธิสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าท่านเข้าฌานอยู่ตลอดท่านก็ทำอยู่ทำกินแต่ว่าจิตมันจะเป็นสมาธิของมันพอดีอยู่ตลอดไม่มากไม่น้อยไม่หมดไม่สิ้นไม่ใช่เข้าไปอัปปนามันอยู่นอกๆเนี่ยแต่ว่าไม่หมดไม่สิ้น ไม่มากไม่น้อยพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญที่เรียกว่าอนันตริกะสมาธิสมาธิไม่มีช่องว่างให้กิเลสเข้ามามีอยู่ตลอดผู้ที่เป็นอนาคามีบุคคลอยู่ในบ้านในเรือนปั้นหม้อในสมัยพุทธกาลมีหลายๆายคนหรือก่อนก่อนนั้นอย่างคติการะอนาคามีบุคคลปั้นหม้อปั้นห ม, ม้อแหลกข้าวแหลกปลากิน เลี้ยงแม่ตาบอดสมาธิก็มีอยู่ตลอดในขณะที่ปั่นหมอกในขณะที่ไปที่มาคือสมาธิมันมันสุกมันมันมันงอมแล้วฝึกมาจนเป็นธรรมชาติอยู่ในนั้นเหลือแต่ปัญญาที่ละเอียดอ่อนที่จะซอนใส่ลงไปทำลายพวกอวิชชายัางไม่พอนเะพราะนั่นพรที่เจริญอาณาปานสตินี่มันจะเข้าถึง อาณาคามีห้ารวมกันเป็นเจ็ดพระพุทธเจ้าท่านสอนว่านี่คืออันนี้สองของการเจริญอาณาปานสติอาณาปานสติคืออะไรทำอย่างไรนี่น่าจะรู้จักอาณาปานสติก็คือความเป็นผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกห่งเมื่อห่งเมื่อเจาะออของอยู่ฮันจะเขา่าหันจะออกออกมา ข้อภัยผู้เรื่องส่วนตัวใ น, นอาตมาตั้งแต่เป็นโยมตั้งแต่เป็นฮิปปี้ผมยาวๆทำมาหากินอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพยอยู่เมืองนอกไม่ไม่ได้มีใครบอกอ่านดูในหนังสือปตมวิโดก็ทำทำรู้สึกว่าทำทำไปแล้วมันติดไปเองมันตื่นขึ้นมามันมันมดขึ้นมาดูของมันเองไาเป็นโยมมันก็ท้ามของมันไป เพรามันติดกันนี่ก็เหมือนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ติดหมากติดทูกนี่ติดยาสุกไ่ได้ตั้งใจใตัวว่าตื่นขึ้นจังสีเขียวสิตดำจุกจุกดำจิกจิกแห้งสลาดลวมหนาไวส้สัมปันเป็นก้อนไวส้สัมปันพลังคนไปจําสินใส่ถุงยางยางดีเป็นค่าเป็นค่าไหวหอดวาตดำจุกจุกจิกจิกว่าสิเขียวก็ค่อยๆพีออกมาอย่านมันดังโมมอมกลับ มันลืมจักเถื่อนั่นแหละมันติดมันติดเรามีสติในลมหายใจเข้าหายออกให้มันติดกันนี่ถ้ามันติดแล้วมันจะไปเข้ามันเรื่อยเลยเราจะเห็นทุกอย่างอยู่ในลมหายใจเวลาใดโกรธมาลมหายใจมันก็เปลี่ยนไปเวลาใดดีใจมาลมหายใจก็เปลี่ยนไปเวลาใดสงสาร น้อยอกน้อยใจสงสารขึ้นมาลมหายใจก็เปลี่ยนไปเวลาใดจิตมันสังเวชมีธรรมะสังเวชอันใดขึ้นมาน้ำตาจะไหลตื้นเต็มตื้นขึ้นมาจุกอยู่ในลำคอลมหายใจก็เปลี่ยนไปพระอินเดียพระแขกยี่ 27, สิบเจ็ดพันษาปีนี้ก็ 30, สามสิบกว่าพรรษาละท่านวิมาราเทระแสดงว่าไม่เคยทำกรรมฐาน นอนดูคนต้นโพ ท, ที่พระพุทธเจ้าตัดสรูุมา27ปีมาเยี่ยมอาตมามากราบอาตมาจนเนี่ยอาตมากับพาไปปินทบาททุกครั้งท่านเห็นท่านจะร้องไห้เห็นอะไรที่มันสังเวชแล้วท่านรอ้องไห้อาตมาบอกว่ า, ามันจะไห่เก่งแท้เ่าจนหัวงอกก็ไม่จะไห่เช้ามาเนี้ยแต่ก่อนที่นี่มันไม่มีศาลา เรยังไม่ทําศาลาลานกลระเวกในป่าเช้ามาแล้วก็ตีะระฆังตีสองพระหนุ่มเนน้อยหลวงปู่หลวงตาไปนั่งสมาธิรวมกันพระแขกท่านก็ไปนั่งพอจวนจะสว่างอย่างนี้เราก็สวดมนต์พระแขกท่านเก่งท่านเก่งภาษาบาลีสันสกิตสิงห์หนภาษาอังกฤษท่านเก่งมากท่านเรียนโบราณคาดีด้วยเวลาสวดท่านก็สวด สวนยังไม่จบท่านก็กรกาบกับร้องไห้อารามาธรรมวัดเสร็จแล้วขึ้นมาก็เห็นท่านถือแก้วน้ําชาสืมขี้มูกเช็ดน้ําตาอยู่ถ้าว่าเจ้าเป็นอย่างวัดเทเพนเกิดอะไรขึ้นโรคอยู่ร้ายทวีคลายเหลียวเบิงเจ้าคือจังไห่เราเล่าปฏิเสธว่าว่ดได้ไหาโน้โน้โน้น้ยนะคลายมายเทอร์รันเอาไว้วอได้หาน้ําตามันไหล มันเป็นอย่างมันเป็นปุ่มเหว้าผเป็นปุ่มภาษาบารถเาว่าเป็นปุ่มแนนนอยู่ในคอลาอินว um ันไมล์ทรัสเซตไมล์ฟินลิงมันเป็นก้อนจกในลำคอของฉันอยู่อินเดียยี่สิบเจ็ดปีบวชมาไม่เคยเห็นพระเนอนอยู่อย่างนี้หักโดยเฉพาะเนน น, น้อยตัวเล็กๆตื่นมานั่งสมาธิกับพระหนึ่งแล้วมาสวดมนต์กับพระตั้งแต่ตีสอง ม, มาจนสว่างแกร้องไห้ แค่บอกอินเดียเนี่จะไปเดินหาจนตายยังไม่พบคิดถึงพระพุทธเจ้าร้องไห้ไปบินธบาทเห็นโยมมาใส่บาทโยมาศาสนาคริสต์นั่นนี่ทางออกมานี่แม่ใหญ่มาใสบาทหลานน้อยน้ยมานั่งคุกเขา่าไม่คุกเขาเ่าเปล่าเปล่ากาบพร้อมกาบลงน้ำคิรินคิรินซีจืดแในฝนตกแกก็ร้องไห้ไม่เคยเห็นในอินเดียเออเอาแต่ร้องไห้ อาเห็นคนมาทำบุญมากๆเราให้อาตมาก็เลยบอกเอางี้สิหายใจยาวๆคนหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆคือเกิดสังเวียนลมหายใจมันก็เปลี่ยนไปมันจะแน่นมันขึ้นมาลมหายใจมันสั้นๆอาตมาก็บอกทำงงี้ตรงนี้หายใจยาวๆลึกๆเดี๋ยวมันก็มันก็หมดไปอันเป็นก้อนจุกคอนีน่เดี๋ยวมันก็ละลายไป dissolution your อารม in y น u r my ไม trust i นอ o u r trust จะเห็นให้มันละลายไปอันก่อนอยู่นี้ข้อเจ้านั่นอันใจอย่างเง้ยสอนพระแขกให้ทำอานาปานาสติแกก็ทำแล้วก็หายหายแล้วแกบอกว่าโอ้หาซีไอ just k now ตะกอยสักหงจักเดี๋ยวนี้เว้าสันเห็ุจึงสิมึงก็เศ้เป็นดีวันก็เลยบอกวันเนี้ยอนาปานาสติ คุณอ่านพระตรปิดกอยู่ช่ำชองจะเคยเห็นไปอ่านสังยุตติไกดูห้านาปาณสตินี่มันละเอียดมากตั้งแต่หยาบถึงละเอียดอารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงไปจิตใจเปลี่ยนแปลงไปด้วยลมหายใจก็เปลี่ยนแปลงไปผู้ใดสามารถควบคุมลมหายใจของตนเองให้ปกติสม่ำเสมออารมณ์มันก็ปกติมันก็ดีก็งามกลายเป็นเรื่อง ขำใจเป็นเรื่องเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนรีบเท่าไหรลถมันก็เสียเฝ่าเท่าไรลดแหงสาบนี่ลงทางเติมเข้าไปอีกบาทลมหันใจเป็นอย่งไรบา้างลมหายใจไม่ได้ดูลมเลยผานโกรธคน น, น้นทะเลาะคนนี้ไปทั่วหมดเลยถ้ามันคิดปกติหมดรีบกลับมาจัด ก, การกับลมหายใจยิ่งหัวเราะกับมันโอ้มันไม่เที่ยงเว้ เรารีบมันก็ไม่รียบกับเรารถราม่าช่างมันก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเราจะใช้ประโยชน์เครื่องขาอยายเสียงมันก็ขี้เกียดขึ้นมาอกีกมันมีเหตุมีปจมัจจัยของมันเลยจะไปห้างกบพูดมันตีบัตรพอพูดที่เจ้าว่ามีเครื่องขาอยายเสียงตัวเสร็จเพลินเทศอยูป่ปาตาคนฟังเป็นแสนคนข้นพวกปากพวกตีนไมได้ยินกันอยู่ดอกไา ในที่สุดมันก็เกิดสบายขึ้นมาอาศัยมีสติในลมหายใจควบคุมมันให้ดีๆถ้าอยากให้มันสงบพวกเรามันก็มีปัญหาว่าจิตไม่สงบจิตไม่สงบทำสมาธิบ่เป็นดอกบ่สันจิตบ่สงบยอ่อมันสงบแล้วไอ้ที่สิ่งมันทำมันยังเรี้ยวเลยมันดีเอาก็ดอกก็เดียดแล้วเนาะมันบ่ดีนี่แหละมาทำมันให้มันดี ถ้าจิตไม่สงบปัญหามันมีมันเป็นธรรมชาติของจิตยอยากให้มันสงบก็ไปลองหัดหายใจเหมือนคนนอนหลับคนนอนหลับหันใจแนวไหาเขากับหันใจแนวนั น, นคนนอนหลับน่ยเขาจะสงบผู้ลวงคนสงบหลายวันในนอนสํานานัง่งมันก็รับนะ่นะหัวเงก้ยหัเอีนยนะเพาะยังไม่ทราบไปแล้วไปกอดมูระสงบหลายเข้าชาติแล้วบม จอวงตี้เราหันใจแนวได้หิตฮัดหันคือเล่าก็ต้องงอกคือกรกับเล่าเพราะอยากที่เป็นอย่างนี้เรื่องลมหายใจนี่มันเกี่ยวกับกายมันเกี่ยวกับเวทนามันเกี่ยวกับจิตมันเกี่ยวกับอารมณ์กายเวทนาจิตธรรมเพราะเป็นภาษาบ้านเราอ่ะโอ้เมื่อขิงโหเมื่อค้อม หัเมือใจหมืออารมณ์เจ้าของสีอันนั้นเป็นสติประฐานถ้าพูดภาษาพระมันก็ยุ่งยากลาบากก็ับพี่เมื่อใดเรารู้จักอยู่รู้เท่าทันอยู่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยากจะให้มันสงบก็พยายามฝึกให้ลมหายใจมันละเอียดมันสงบ <c oughs> เมื่อรู้ลมหายใจมันติดต่อกัน ช่วนี้มันยังไม่เป็นสมาธิลึกๆนะเมื่อมีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยยังไม่เป็นสมาธิที่มันล้ำลึกมากแต่มันจะเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งคือสมาธิที่ไม่หมดมันจะเป็นสมาธิที่ไม่มากไม่น้อยแต่มันไม่หมดมีอยู่ทุกลมหายใจทีนี้พอเราอยากจะให้มันเป็นสมาธิเก่งๆให้มันมีความสุขเพื่อจะระงับเวทนาระงับเจ็บไข้ได้ป่วยให้ได้ชมพวก ที่เขาเรียกว่าชานอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ลองไม่ไม่เพียงรู้จักลมภายนอกตามมันเข้าไปภายในทำมันละเอียดลงไปภายในมันมีความรู้สึกเซนส์ทีปอยู่ส่วนบนให้มันลึกลงไปให้มันลู่อยู่ระดับนี้ให้มันลูอยู่ระดับนี้จักหน่อยจังหน่อยมันหน่อยเขา้าหน่อยเขาน่อยเขาเศร้าหันใจ เต็มสมาธิเต็มแมน่นอัดแน่นภายในเต็มความรู้เต็มหมดทั้งตัววิ่ยขึ้นหนึ่งข้าวเดียวหนึ่งบาทหนึ่งเยอวเมื่อไม่รับแต่ว่าหูจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกนี่นี่แบบนึนมันตามเข้าไปตามเข้าไปแล้วไปเตือนอยู่ภายในแต่อีแบบนึงตามเข้าไปรับเลยแบบนั้นสมาธิกระเบิรตสติกับเบิร์ตขึ้นกันคือให้มันเข้าไปเร็วเกินไปเข้าไปภายใน พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพระฮิธาจะสวิญญาณังอวิสตังอวิิตังยาให้จิตฟุ้งไปสร้างไปกับอารมณ์ภายนอกอัจจะัดตังอสันติตังยาให้เข้าไปตั้งมั่นอยู่แต่ภายในคือเข้าไปตั้งมั่นภายในก็มีอยู่สองแบบแบบหนึ่งเข้าไปแล้วเลยปักเข้าไปหลับเลยอีกแบบหนึ่งไม่หลับตื่น คอยตามลมเข้าไปความรู้สึกส่วนบนให้มันน้อยให้มันต่ำลงไปให้ต่ำลงไปข้างล่างใ ห, ให้เห็นการหายใจการกระเพื่อมของกายนิดหน่อยสร้างความรู้สึกมันอึดอัดมันเป็นทุกข์ชั่งมันทนไว้หน่อยดูไปดูม ป, มปเองหน่อยลมหายใจละเอียดลงน้อยลงน้อยลงต่อมานาทีหนึ่งท่านอาจจะหายใจครั้งหนึ่งสองครั้งหรือต่อมาม้า จ, จะยืดไปสองนาทีครั้งหนึ่งยืดไปสามนาทีครั้ง นันน่ะเข้าลมหายใจนี้ก็หมดหยุดไปหยุดไปมีแต่อาการตื่นเอกาธิพาโบภาวะอันหนึ่งภาวะอันเดียวภาวะอันเอกตื่นอยู่ภายในโผลช่วนี้ถ้านั่งตัวงอมันก็ตรงขึ้นมาเองมันตรงแบบนี้เลยกว่ามันตื่นอยู่ภายในแต่หูมันจะไม่รับเอาเสียงภายนอกไม่ได้ยินเลยมันอยู่ภายใน อย่างนี้วันคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วมากไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรแต่ไม่ค่อยจะมีปัญญาพอเราก็หัดทำดูสิจัดการกับลมหายใจให้ดีๆนี่มันจะเป็นสมถะได้เฮนี่ต้องการให้มันเป็นวิปัสสนาก็เอาลมหายใจเนี่ยมาดูลมหายใจถ้าดูอย่างหนึ่งเพียงแต่กำหนดลมเลยดูลงไปรับมันจะทุกข์อึดอัดแน่น แน่นหน้า อ, อกแน่นลำคอปวดหัวนี่คือมันเข้าไปชนกันเข้ากับเวทนาเพราะลมหายใจเป็นที่รวมของกายของเวทนาของจิตของธรรมพระพุทธเจา้าท่านบอกวา่าเสยยถาปิภิกเวจารุมมหาปเท ม, มหาปังสปุลโชดูก่อนพิสุทั้ทางหลายเหมือนทางสี่แยกมีกองดินใหญ่อยู่ตรงกลาง สีแยกคือแยกหนึ่งกายแยกหนึ่งเวทนาแยกหนึ่งคือจิตแยกหนึ่งคือธรรมกองดินใหญ่กลางกคือลมหายใจสกตังวาระทวาอุปหณะเตวะตังปังสะปุญชังลถมาก็ดีเกวียนมาก็ดีจากทิศทั้งกิริยาใดๆเกิดขึ้นจะกระทบเข้ากับลมหายใจกายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็จะมากระทบเข้ากับลมหายใจเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องกัน ทำอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นอย่างไรก็จะเกี่ยวเนื่องกันกันกบลมหายใจเพราะนั้นเมื่อเราดูลมหายใจนี่ดูแบบหนึ่งมันเป็นทุกข์อึดอัดปวดหัวมัวเก้าแน่นหน้า อ, อกแล้วก็เกิดอาการลาคาญถ้ามันเกิดภาวะอย่างนี้ก็รีบรู้มันเข้าไปในภาวะอันนั้นเรียกว่ารู้จักเวทนา ทุกขันเจเวทธนังเวทยามีติประชานติเมื่อโสวยเวทนาอันเป็นทุกขทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นทุกสาอนิจจติสาอัจโชชนาติประชานติเวทนาเหล่านี้ไม่เที่ยงเวทนานี้ไม่จังยืนไม่น่ายินดีไม่น่าหมกมุ่นสยบดูมันเข้าไปในภาวะอันนี้ทีนี้อีกแบบหนึ่งเมื่อเราดูลมไปมันไม่ปวดหัว มันไม่แน่นหน้า อ, อกมันไม่แน่นตามตามเนื้อตามตัวแต่มันจะเกิดความสุขเป็นเ้าๆเป็นมวนมวมีความสุขมากลึกๆลงไปอันนี้ก็คือเวทนาอีกเหมือนกันสุขเวทนาเกิดขึ้นเราพบอยู่ในลมหายใจทีนี้อีกอย่างหนึ่งดูไปแล้วมันเป็นโง่ๆเบิ่งไปเป็นซื่อบือ้อ ไอ้คืองโง่ไปหนาเต็ขนอโกบาตเนี่ยพี่สเป็นจุโลเขิดกับว่าเขิดบัตเนี่ยเฮียไปใส่กับว่าไปซีมากับ่มานั่นก็ให้รู้จักมันอีกตัวนั่นคืออทุก ข, ขมทุกขเวทนาเกิดขึ้นอทุก ข, ขังมทุก ข, ขังสันตังอัทธ ค, คินังอนิจโจวความไม่เป็นสุขความไม่เป็นทุกข์นี่ละเอียดมากไม่เที่ยงดูให้ดีๆ นี่มันมันมันจะผสมกับเวทนาสามอย่างนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งบางคนเป็นเดือนนะเชยโอ้จะเป็นงอดิคำว่าโงฝัดบอมเป็นงอหูอยู่อันนั้นอันนี้ขั้นว่ไป ห, หนา ม, มาหลังตัวนี้ละเอียดดูยากกว่าความทุกข์เองดูยากกว่าความสุขแต่ถ้ามันเกิดความสุขมันทําให้ลุ่มหลงทําให้พอใจเกิดศรัทธา ม, มากอยากจะกระทําความเพียรแต่พอมันเปลี่ยนไปที่นี่ความ เมื่อสมาธิมีมากขึ้นมันขึ้นมันเกิดมาจากความสุขอันนี้แหละสุขคิโนโจิตตังสมาธิยาติเมื่อจิตมีความสุขแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นความสุขก็ยิ่งมากขึ้นหลังอย่างนั้นความสุขนี้มันไม่เที่ยงมันจะเป็นทุกข์พอมันทุกข์ปับ๊บจะเห็นว่าทุกข์หน่อยหนึ่งแต่มันเป็นทุกข์มากเลยสาหรับผู้เีมีสมาธิ ผู้ใดมีสมาธิมากมีความสุขมากจะพบความสุขแด้จะพบความทุกข์เมื่อความสุขนั้นมันเปลี่ยนไปเพราะเหตุแนหะ่งอ น, นิจจังโอ้ยจะเป็นทุกข์ได้บานว่าเป็นแต่อยว่าเป็นตาเศร้าว่าเป็นแตเกแต่ก่อนก็มันไม่เห็นมันทุกข์มากถึงขนาดนี้ความทุกข์เหล่านี้เกิดมาจากผลถถผลของความสุขอันเกิดจากการปฏิบัตินั่นแหละความสุขเมื่อสูงขึ้นไปเต็มที่แล้ก็ลดลงมา ความสุขลดลง 25% กลายเป็นความทุกข์ไป 25% มันไปอยู่น้ำกันน่ะนะมันไปอยู่น้ำกันมันอยู่ใกล้ๆ ก, กันทันหลังจานนั้นก็เห็นทุกข์เอาทุกข์อันนี้มาดูก็จะเกิดการไม่ปรารถนาสิ่งใดอักปนิฮิตะขึ้นมาอาณาปานสติมันก็เลยมีเรื่องที่จะต้องทาที่จะต้องพูดกันตลอดไปทาได้เรื่อยเปื่อยไป อีกประการหนึ่งก็ดูดูลมหายใจก็ดูความคิดไปด้วยคิดอะไรขึ้นมาก็ให้รู้จักว่าอาการนี่มันคิดไม่ใช่เราคิด่ดูลมหายใจไปครึ่งหนึ่งมีสติอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบ่งไปครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นตดูลมหายใจเข้าหายใจออกเกาะติดเอาไว้เป็นเป็นกําลังเป็นตัวสมถะอีกห้าสิบเปอร์เซนเอามาเป็นเลดา้าคอยรู้จักความคิด ตัวนี้เป็นวิปัสนาเรียกว่าทำไปพร้อมกันสองอันยุคขานั์ทางภาเวติจเจริญไปคู่เดียวเลยพร้อมกันในที่สุดมันจะเลือกทางเส้นทางของมันเราเกาะอยู่กับลมหายใจรอดูวความคิดที่มันเกิดขึ้นพอมันคิดปับ๊บเรารู้จักความคิดนี่มันก็ดับลงไปคิดอีกรู้อีกมันก็ดับอีกคิดอีกรู้อีกมันดับอีกทีนี้ไม่เพียงรู้แต่มันคิด มันคิดปั๊เรารู้ปั๊บนี่มันดับไปเมื่อมันดับแล้วตามลงไปรู้ว่าอาการดับของมันอาการดับของความคิดไม่ให้เห็นแต่เพียงอาการเกิดลึกลงไปถึงอาการดับจะเกิดปัญญาที่เรียกว่าปัญญายะอริยยะสมณะขโตถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐอุทยัตถ า, ามเมนยาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดและความดับอางนั้น นิพพยทิกายะสมาทุกขกย ค, คามานิยาย่อมชําแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบได้เป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องเพลิดเพลินถ้าทําให้มันติดไม่ว่าเราจะทําอะไรขับรถขับเรือไปทํางานอยู่ลมให้ยใจมันก็หายใจอยู่ตลอดแล้วก็รู้มันตลอดพอมันรู้แล้วมันก็จะรู้เข้ามันเองได้เวลาดีๆไม่ได้ทํางานที่นี่ไม่ใช่รู้แต่ลมจะมารู้จักเวทนารู้จักจิตรู้จากธรรมอยู่ในลมนี้ มันก็ขยายไปอันนี้สองคือผลมันก็จะเกิดขึ้นวันละเลขวัล้อยกลายเป็นผู้ฉลาดที่นี่เวลาจะนอนเอากายจะถึงจุดจบกันเวลาจะนอนทุกค่ำทุกคืนไม่นอนทิ้งนอนขวางไม่นอนแสบนอนนัวเฉยๆนอนปัาบลงไปก็บเบังมันหันจะเขาจะออกคักๆจอบเบิงคักๆเมื่อสิรับบาดใดดูเวลามันจะหลับ ตรงนี้เตรียมเตรียมเพื่อจะรู้จักความตายวันตายจริงๆมาถึงมันจะเหมือนกับขณะกําลังจะหลับเนี่ยวันนั้นท่านจะลุกขึ้นมาบอกลกูกบอกหลานสั่งพี่สั่งน้องว่าฉันจะตายท่านอาจจะนั่งตายก็ได้ท่านได้ถ้ามีแรงพอจะลุกขึ้นมานั่งได้พราสติสมัมมาชนญาที่ได้ฝึกไปสมถะมันรู้นะว่าเวลามันมันจะหมดไปจะ ลมมันจะหมดไปก่อนมันรู้ทันทีเลยเพราะมันอยู่กับลมนี่ตลอดเพราะนั้นเราก็เตรียมว่าเวลาจะนอนทุกคืนจ้องดูหายเจะเข้าเจาเวลามันหลับมันหลับเวลาใดหลับเวลาหายเจะเข้าหรือมันหลับเวลาหายเจะออกดูไปดูไปหลายวันหลายคืนหลายเดือนเข้ามันจะพบวันหนึ่งมันหลุดออกจากกัน นี่พราะมันหลุดออกจากกันแล้วมันจะตื่นขึ้นมาใหม่ถ้าสติมีมันตื่นขึ้นมาอีกกว่าเก่าแล้วก็ปล่อยให้มันหลับไปค่อยๆน้อมปล่อยให้มันหลับไปพอจวนจะหลับที่นี่มันจะหูมือขึ้นใหม่มัดโตเนี่เป็นคือขนลุกเนี่ยยืดเกือกสั่นจะดืดกันเงีบเงียบเงียบบัตในขันสิรับก็ปล่อยรับฟับไปเลยขันบัลลับบัตรในน้อมจิตหม่ด้งออกไปเลยเป็นอีกผู้นึงบัตรผู้นี้นอนเอกแรกดูนี่บัต คู่นั้ก็ไปพุทธบาตรไปไซบัตรจึงบอกว่าขันสี่ขันขันขันเดียวขันห้าขันท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่ก็ได้เอ็นขันขันเจว่าวาบอยู่นี่ละบัดลวมันจะเป็นขันเดียวนอนแงะอยู่นี่อีกสี่ขันมันจะไปจังสั้นบัดมารวมกันก็เป็นห้าขันมีกิเลสตัณหาเคลื่อนมาใหม่เฟื่ให้มันได้ดีมาเห็นตรงนี้ก็สนุกเป็นเครื่องเล่น เล่นบาทนี่เป็นไม่ใหม่วนมือแล้งก็จิไปนอนบังไม้ก็น่านเห็นไมใหม่เฮียไปสามเดือนบาทนี่ ม, มาใกล้อีกตะเถระไปใหม่บุรณะจนลืมจำข้ออีกเอายิ่พวกนี้เป็นของเล่นพราไปเป็นถ้ามันเป็นอย่างนี้ความสงสัยวัานนรกมีหรือไม่สวรรค์มีหรือไม่อะไรต่างๆมันก็คงจะไม่มีความสงสัยพระพุทธเจ้าท่านยังพูดพวกมิจฉาทิฐิ ที่ไม่เชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีแต่พวกที่สำมาติจะเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีนรกมีสวรรค์มีบาปมีบุญมีพระอริยเจ้าพระอริยบุคคลผู้ประจักษ์แจ้งโลกนี้โลกหน้าประกาศโลกนี้โลกหน้าให้คนทั้งหลายรู้เห็นก็มีอยู่มีก็เข้ากับประจักษ์ก้ากลไรเป็นพระอริยเจ้ากว่าคนเห็นหลกนี้โลกหน้าเข้าในตี่บาปนี่ พัดบางเธอมันไปเห็นคือเพลินเธอมันไปเห็นคือเพลินถ้ามันไปเห็นคือเพลินในริมันกับวัสงสัยเถื่อนคือกันสิ่งเหล่านี้มันก็ได้มาจากอาณาปานาสติอีกเหมือนกันโอ้มีลูกเล่นแพลวพราวเลยพูดสามวันสามคืนก็ไม่จบเวลาของเราสว่างเลยนะท่านตั้งหลายเจดีย์้อมเพียงกันแยกย้ายถ่ายเทไปล้างหน้าล้างตาใครแม่น้ำก็าอาบน้ําเพิ่ม แล้วก็จะได้มารวมกันทำบุญสุนทรธานวันนี้จะให้กินข้าวพร้อมกันกับพระบางท่านอาจจะมีจิตใจจดจ่อที่จะเดินทางไปโปรแกรมคงจะไม่ก็ค่อยเหมือนกันเราอย่ารีบนั้นจะเป็นดีที่สุดคนรีบก็ลกก็หล่นบุญมันหกมันหล่นบุญเฮียโจกๆเด็ฝ่าวไหลกว่าฝ่าวเนาะเอาฟ้าสางวันใหม่วัถึงแล้ว จ, จะมาพา ได้กล่าวทำมิกหาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการเจริญอาณาปานสติพอเป็นแนวสังเขปพอเป็นโครงเป็นร่างให้ท่านได้มองรู้ดูออกขอฝากท่านทั้งหลายนำกลับไปคิดไปพิพจิตรณาประพฤติปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วเผื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิต ของจิตใจของวิญญาณพวกเราให้ก้ามหน้าดีงามในเส้นทางแห่งพระอริยเจ้าสืบต่อไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ